กูละป บ, บัน <c oughs> <c oughs> บทุธเทศท้านเอาถุข้อขึ้นมากายเวทนาจิตทำ <c oughs> ทโปเทศ อานาปานสติลมหายใจเข้าหายใจออกไปดูเข้าใจนะแต่ข้อสำคัญเวลานำนำปฏิบัติต้องเข้าใจในมีสติกำกับ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 ช่วงใดที่ผู้รู้ของเรามันตื่นรู้เต็มที่นั่นแหละแว่ามีสติกํากับจดจ่ออยู่สติคือความระลึกได้สติคือความระลึกได้มันก็ระลึกอยู่เนืองเนือมันระลึกตามขณะของจิตมันระลึกตามขณะของจิตเราจะรู้จัก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 ถ้าจะเทียบก็เหมือนกับว่าเรือที่ถูกน้ำรั่วเข้าไปน้ำเก่าก็ขังน้ำใหม่ก็ทะลักเข้าไปท่านจึงให้อุดรูอุดรูที่น้ามันทะลักเข้าไปในเรือในเมื่อเราอุดน้ำน้าใหม่ไม่เข้าเหลือแต่น้าเก่าเหลือแต่น้าเก่าท่านก็ให้วิดออกเรามาดูอันนี้เป็นอุปมาในเมื่อรับน้าน้าใหม่ไม่เข้า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 สตินี้มีคุณสมบัติเป็นคุณสมบัติพิเศษที่จะพึ่งเกิดพึ่งเจริญในหัวใจของเราในจิตของเราเราเจริญพัฒนาอย่างต่อเนื่องสติจะแน่นหนามัน่นคงจากสติพื้นๆกลายเป็นมหาสตินีพุทธเจา้าท่านให้เอาหลักอันนี้มาเจริญให้เอาหลักอันนี้มาเจริญเช่นอย่างอาวิชชาตัวใหม่ที่มันจะเกิดเนี่ย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 ดูใบหน้าคนคนรูปงามถูรกริตนิสัยชอบใจแวบก็ลึกเข้าไปถึงหัวใจแน่คนไม่ชอบใจพลักออกไปมันเป็นอย่างนั้นแหละไม่รู้อะไรของมันแท้ที่จริงก็คือความอีดดิ่นของตัญหาที่มันเกิดขึ้นจากความสัมผัสกันตาสัมผัสโร ค, คเครื่องต่อข้างในข็งเราคือตาเครื่องต่อข้างนอกคือรูปเกิดกันแลวเกิดสัมผัส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 ถ้าเราสามารถทำจิตได้ถึงขั้นนี้ระดับนี้หมายความว่าจิตของเราเข้าถึงหลักธรรมชาติที่แท้จริงได้มันไม่มีอะไรน่ายินดีไม่มีอะไรน่ายินร้ายโดยไว้เลยเถือนี้ไปเหตุที่ท่านให้เราปฏิกูลมากรรมมาดูแลในการพิจารณานมันเหมือนกับเป็นโลมาปกป้องถ้าเราไม่มีโลอนนี้มาปกป้อง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 ท่านจึงให้เราปฏิกูลเพราะปฏิกูลนี่มันเป็นสิ่งที่มันผลับจิตให้เกิดสลบใจให้เกิดสังเวชใจให้เกิดสะอิดสะเอียนในใจมันจะทําให้จิตจิตของเราไม่เกาะจนกว่าธรรมชาติทันนั้นจะโผล่ขึ้นมาในหัวใจของเราแต่เมื่อเหล่านี้เราพยายามทำให้เข้าถึงแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันจะเชื่อมประสานกันไปหมด เกิดความรู้เ น, นหัวใจเกิดพลังในหัวใจเราทุกยากลาบากหัวหมุนตั้งแต่กงวิทย์ไม่ว่าคลางวันไม่ว่าคลังคืนอยู่จนทุกวันนี้เพราะอะไรก็ เ, เพราะเราไม่รู้อะไรคือหลักความจริงอะไรคือข้อเท็จจริงสวงหากับสิ่งที่ชอบสิ่งที่ต้องการอยู่ทุกยับทุกเวลาไม่เคยมีความพอ มีคนมาขัดมาขอบมาเขียดแขนชิงชังอาฆาตพยาบาทฆ่าแกงกันอีกตั้งหากักบกิริยาผิวเผินของธรรมชาติเหล่านี้ฤทธิเดชขามานเนี่ยดูสิดูเราดูเราใช้ทำอะไรเราก็ดูดูคนทั้งหลายในโลกพิจารณาทำหลักเขาทำแล้วเราก็ดูเขาไม่แย่งอะไรรู้แย่งควันอ่า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 ภาคปฏิบัติท่นไม่ใช่แยะๆคำสมมติมากถึงขนาดนั้นถ้าให้มาดูอาการจริงๆของมันมันจะไม่สงสัยไปเลยะให้มาดูเรื่องจริงมาดูของจริงดูกิริยาอาการความจริงของมันจะทำให้เราเข้าถึงรู้ละเอียดทั่วถึงได้เร็วไม่งั้นมัวนๆแต่เป็นติดคำสม ม, มุติขอ้มันเอ้าคำนี้ทำไมผิดกับคำรู้น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 ไม่ต้องไปสองไปสวยหาที่ไหนของมันมันมีจริงเป็นอยู่จริงชัดที่นี่ผัดที่นี่กล่าที่นี่อเกิดเกิดมากเกิดน้อยเกิดช้าอมันอ่อนแรงไปเรื่อยอ่อนแรงไปเรื่อยอ่อนแรงไปเรื่อยรู้ทัวถึงไปรืยละเอียดไปเรื่อยแต่ยังลืมว่าตัญหามันเกิดมาที่จิต ด, ดงเดียว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 กลางวันพระเขาจะได้มาทํางานเดินดูเดินไล่บางทีเราไปเดินก็ไม่สะดวกหรอกไปเดินก็ไปเจอพวกนี้แหละเดินช่วยดูนู่นด้ช่วยดูนี่ให้งานมันเร็วขึ้นช่วงไหนมีหวลากไปเก็บนไหนอยู่ตรงไหนก็เก็บถ้าคุณจําเป็นว่า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 เป็นชอ็อเป็นตอนรือค้นและแตอนนี้ทำลายบ้านปวกสาเหตุคือปลวกนั่นะปลวกมันขึ้นหมดทั้งหลังมันขึ้นมันกินมันห่างตัวแม่มันไปไหนแล้วก็ไม่รู้แหละเหลือแต่รอยมันเรือหลือแต่ซากมันจะตกใส่หัวมันมันผุมันพังตกลงราเสียดได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 แข้ยกเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วเปิดลังคาให้มันให้มีช่องระบายให้มบนบดลังคาเปิดลังคาเหมือนกับตัวนี้ตัวที่เราขึ้นใหม่เนี่ยแต่มันไม่มีมันไม่มีช่องจังหวะเสาดอกมันไม่มีช่องจังหวะเส า, าจะเปิดยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราคอยมากะเกณฑนใหม่ เรามันไม่มีสถาปนิกพระเภทไรดอกมันสถาปนิกาทาไปนึกไปทาไปแก้ไปมันยงอีหลายวันเนี่ยอีกปวัน9ก้าวันเริ่มทยอยเสียดอาหารหนะ้ายาย ก, ก็เทลงในร่องนะ่ะเสียดาเหาม็นในร่อง ในหลองน้ําเศษอาหารต้องดูช่วยดูด้วยขับด้วยเศษอาหาราให้เทลงร่องถ้ามีการล้างน้ําสกรปรกลงไปก็น่าจะมีตะแกรงตะแกรงเก็บเศษอาหารได้ลงไปในร่องลงไปเพราะมีใครไม่มีใครเหม็นเราเหม็นเองอะ่ะเราไม่ได้ไปหยุดตรงนั้นด้วยเหม็นไครไม่รู้แหละ บ้านใหญ่บ้องก็รู้สึกรกแล้วเกินข้างหน้ามันแถวนั้น่ะหรือออกบ้างมันรก <c oughs> ทำให้เธอมันมีเหตุผลจาเป็นต้องในทาสิ่งเหล่านี้มันเกืออคูลกับกับวัดวาข้าพเจ้าประสงค์อง์ที่ตั้งใจทา